สังขังสนั่งกระชามีาทีข้อทีนั่งสมาธิภาวานาอดูฝนน่า จ, จะหมดแล้วออกพรรษาแล้วต่อไปก็เข้าสู่ฤดูหนาวแต่ก่อนจะถึงฤดูหนาวจริงก็เป็นฤดู่องกระถิน อเรือดูซองกับถินมีถุกวัดอหนึ่งเดือนอหลังจากออกพรรษาแล้วอรือดูลำบากใจเจอหน้าใครก็มีแต่ซองแต่ก็เป็นเหตุแห่งบุญเนาะอ่าเป็นเหตุแห่งบุญทำบุญก็ทำทำกำลังกำลังทรับกำลังศรัทธากำลังปัญญา ก็เป็นบุญที่ทำได้ตามฤดูกาลเรียกว่าการละทานกระถินนี้ถ้าไม่มีพระอยู่จำบรรษาครบห้ารูปไม่เป็นกระถินวัดนั้นจะไม่สามารถรับกระถินได้เพราะมันไม่เป็นกระถินถ้าไม่ครบองค์ประกอบต่างๆ มันก็ไม่สมบูรณ์เป็นกระถินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนมีกระถินมาให้เราถือว่าโชคดีละเราได้ทำบุญใหญ่อันนี้ก็คือให้มีความสบายใจไม่เดือดร้อนใจกับการรัทานทีนี้ตะกี้ขึ้นบทพระบาลีไว้ตั้งต้นว่าพูดทางสระนังคัจฉามิทำมัาางสระนังคัจฉามิ สังฆังสรนัง ข, ขจามิข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุธทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นสรนะัรณะข้าพเจ้าถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นสรนะัรณะข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นสรณนะก็คือว่าวันนี้เรามาร ะ, ะลึกถึง พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระคุณสามประการโดยยอ่อคือพระปัญญาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณสามประการก็คือว่ามีพระปัญญาสามารถค้นพบ หนทางดับทุกข์สามารถลือถอนกิเลสออกจากพระไทยของพระ อ, องค์ได้อันนี้พระปัญญาคนแล้วก็ทรงมีพระปัญญาสามารถวางพระพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติในภายหลังได้พระบริสุทธิคุณคือเป็นผู้ ห่างไกลจากกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิน้นมนถินทั้งหลายจากพระไถยของพระองค์แล้วเป็นผู้มีมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเบียดบายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเป็นผู้เสเวยทุกข์ตลอดกาลานานก็ประสงค์จะลือ้อขน ให้สัตว์ผู้มีปัญญาสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารตามพระองค์ไปได้อันนี้พรกคุณโดยย่อถ้าพระคุณโดยโดยละเอียดละเอียดนั้นสาธยายไม่หมดหรอกแต่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่านาวหาระคุณเก้าคือดาบทอิติปิโสที่เราสวดอรหังเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัสรโ้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติสุขโตผู้ไปดีแล้วโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลก อนุตโรโพธิสะธรรมสาดัตถิเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อันยอดเยี่ยมศัทธาเทวมนุษาหนังเป็นบรมคูผู้สอนสอนทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานทัควาเป็นผู้จำแนกแจ ก, กแจงซึ่งทำหรือจะเรียกว่า เป็นผู้มีโชคก็ได้อันนี้เรียกว่าพระพุทธคุณทีนี้ทำไมพูดเรื่องนี้ช่วงแล้วเห็นมีในโซเชียลเขาว่าพระเครื่องพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธคุณไม่มี พ, พุทธคุณถ้าจะเอาหลักเกณฑ์นี้เป็นที่ตั้งก็ อาจจะถูกจำที่เขาว่าแต่ว่าถ้าเราพิจารณาให้แยบคายว่าพระุทธรูปนั้นคืออะไรถ้าพระุทธรูปนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านบรรลุเป็นพระอหรหันต์เยอะแยะมากมาย ท่านก็สร้างพุทธลูปไว้ให้เรากราบไว้ให้เราไหว้ท่านก็กราบก็ไหว้ก็ไม่เห็นจะขวางมักขวางผลอะไรครูบาอาจารย์ไม่รูก้กี่รูปกี่องค์ท่านก็กราบก็ไหว้มากี่ร้อยกี่พันปีมาอันนี้เราจะเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นกรรมฐานก็ได้เพราะกรรมฐานมีสี่สิบห้องพุทธานุสติ กรรมาฐานคือการละเลึกถึงพระพุทธเจ้าจะละเลึกถึงโดยพระคุณก็ได้หรือละเลึกถึงโดยลูกเปียบอย่างนี้ก็ได้สมัยพุทธกาลนั่นที่วัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าสมัยนั้นไม่ได้สร้างพุทธรูปแต่ว่าพระองค์อยากจะให้คนรุ่นหลังมาได้เห็นวัตถุบางสิ่งบางอย่างแล้วได้ละเลิกถึงพระองค์ อองค์ก็สั่งพรานอนนท์ให้ไปเอาต้นกล้าหรือกิ่งของทศีมหาโพธิ์มาปลูกปลูกไว้ที่วัดประเชตวันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่เรียกว่าอานันทโภใครเคยไปอินเดียก็ไปกราบไหไว้ได้เห็นต้นโพนั่นน่ะสืบต่อมาจากต้นโพที่พระ อ, องค์ตัสรุก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นพุท ธ, ธานุสติได้เล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าตัศร ใต้ต้นโพนี้ใต้ต้นไม้นี้เป็นที่ทัทรูอย่างนี้พุทธลูปนั่นเป็นธรรมะทั้งองค์ทำไมเขาสร้างพุทธลูปสมัยก่อนสร้างไม่เหมือนคนคนโบราณเขาปั้นรูปคนไม่เป็นทำไมต้องปั้นให้หัวแหลมแหลมทำไมต้องปั้นให้หูยันยานทำไมต้องปั้นให้ตาใหญ่ใหญ่อันนั่นแหละมันเป็นธรรมะทั้งนั้น หัวแหลมมีไฟลุกอยู่ข้างบนเป็นเปลวไฟก็คือเป็นลักษณะของวาพาะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาก็คือพระปัญญาที่คุณพเพราะเปลวไฟเป็นแสงสว่างแสงสว่างปัญญาขจัดอวิชชาคือความเมืดอบอดที่อยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์หูยาวเป็นผู้มีหูหนักหูหนักคือ ไม่เชื่ออะไรไง่ายๆฟังมาแล้วก็พินิจพิจารณาวิเคราะห์ก่อนไม่เชื่อไม่ตัดสิน ล, ลงไปจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติให้เห็นผลด้วยตัวของตัวเองตาคะเนตมองต่ะหมายความว่าให้สํารวมสํารวมตาสารวมหูเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันเข้ามาทางตาเข้ามาทางหู กิเลสโลภกิเลสโกรธกิเลสหลงกิเลสชอบกิเลสชังเข้ามาทางตาผ่านตาให้มองต่ำพพุทธรูปตามองต่ำเราดูแล้วสามารถใช้ปัญญาพิิจพเราะพิจารณาได้ทีนี้ถ้าทางฝั่งของวัชรยานฝั่งที่เบสเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเขาเอาเป็นกรรมฐานเลยหมายความว่าในแต่ละจุด ในรูปอย่างเช่นว่ารูปรูปพระบทเขาจะมีเป็นตำแหน่งเป็นจุดเป็นจุดเขาทำเป็นวงกลมเป็นกลมไว้วงกลมไว้อันนั้นอะ่ะคือที่ตั้งของสมาธิวิธีการทำสมาธิต้องตั้งตรงจุดไหนจุดไหนถ้าว่าเราได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์โดยตรงเขาก็จะบอกวิธีการว่าเมื่อดูภาพพระบทนี้แล้วระลึลกถึงพุทธเจ้าแล้วเดินสมาธิเอาจิตไปตั้งไว้ตรงจุดนี้จิตตั้งไว้ตรงจุดนี้ อย่างเช่นว่าเห็นว่าพุทธรูปในในภาพพระบทแล้วย่ อ, อขนาดให้เล็กลงหรือว่าให้ขยายขึ้นได้ให้จําติดตาแล้วเชิญรูปพระพุทธรูปนั้นเข้ามาที่กลางกระหม่อมแล้วดึงพระพุทธรูปนั้นผ่านเข้ามาจากกลางกระหม่อมนั้นเข้ามาตรงตามกระดูกสันหลังลงไล่ลงไปตามตําแหน่งมีหน้าผากตรงคอตรงหน้าอกตรงสะดืออยนี้ไล่ไปตามจุดอย่างเงี้เรียกว่า ตามฐานสมาธิก็เพียงลงไปเพียง <_ d isk> ลงไปเพียง <_ d isk> ลงไปสุดท้ายแล้ว <_ d isk> เขาก็บอกว่าต้องสลายไปให้กลายเป็นสุญญตาคือว่าตอนแรกนะอาศัยรูปเป็นตัวนำสติเป็นตัวนำความรู้สึกให้รูปบิงลงไปพอไปถึงตำแหน่งแล้วก็สลายรูปให้เหลือแต่ความรู้สึกให้เป็นความว่างเขาก็ไม่ได้ไปถือเอารูปนั่นเขาแค่รู้เฉยๆรู้ตาแหน่ง ก็เข้าถึงความบ้างอันนี้ก็คือว่าตัวพุทธรูปนั่นเป็นกรรมฐานโดยตรงทีนี้ปางลักษณะต่างๆของพุทธรูปนั่นก็บอกให้เรารู้ว่าปางนี่มีเรื่องราวอะไรอย่างปางสะดุ้งมานเอาพระหัตมาจับที่พระชาโนที่หัวเขาเอามือมาแตะแผ่นดินเป็นลักษณะว่าอะไรลักษณะว่า หนึ่งละทําใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินสองระลึกถึงพระบารามีที่ได้บําเพญมาเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นเครื่องรองรับบารามีเราระลึกไม่ได้แต่ว่าแผ่นดินนี่จําไว้หมดจําไม่ได้หมดว่าพระองค์เบียนไหวแต่เกิดมากี่ภพกี่ชาติทํากุศลผลบุญทําทานบารามีศีลบารามีปัญญาบารามีบารามีสามสิบทัศน์ทามามากมายเท่าไหร่พระธรณีนั้นจําได้หมดพระองค์ ที้ธรณีเพื่อเป็นกำลังใจมาปราบต่อสู้กับมารคือกำลังของกิเลสเนี่ยที่มันมาผักดันพระไถยของพระ อ, องค์ให้ยอมแพ้ต่อการปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเห็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารเราก็ระลึกได้ถึงเรื่องราวของพระ อ, องค์เห็นปางสมาธิเราก็ลึกถึงเรื่องของการเข้าสมาธิของพระ อ, องค์เห็นปางอุ้มบาต ก็รู้ว่าพระเจ้ามีปกติจาลิกเที่ยวบินธบาตออกโปรดสัตว์พระองค์มาจากตระกูลพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็มาอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยวิถีเหมือนคนขอทานที่ว่าต้องสละศักรีเกียรติอะไรต่างๆออกเพื่อไปโปรดสัพพะสัตว์ทั้งหลายที่นี่ อย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไปโปรดเนี่ยมันคือการไปโปรดจริงๆทานที่ชาวบ้านบริจาคให้แล้วนั่นจะมีอานิสงส์มากก็เพราะว่าผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วรับอาหารนั้นมาแล้วบริโภคอาหารนั้นแล้วปฏิบัติธรรมเข้าสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติบำเพ็ญฌานสมบาบัติให้เกิดขึ้นหรือทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอํานาจกําลังของอาหารนั้น อ น, นิสงส์ก็ตกแก่ผู้บริจาคผู้ให้เป็นอ น, นิสงส์ที่มีปริมาณมากยิ่งถ้าผู้รับบมเพ็ญสมาธิได้ลึกเท่าไหร่อา น, นิสงส์ก็ยิ่งมากเป็นทวีคูณเนี่ยเรียกว่าท่านไปโปรดไปโปรดจริงๆยิ่งถ้าพระอารหันต์รูปใดออกจากนิโรธสมาบัติไปโปรดบุคคลใดบุคคล น, นั้นแม้ปัตถาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในวันนั้นก็จะได้เป็น จะปัตนาทรัพ์สมบัติก็จะได้ในวันนั้นอันนี้เรียกว่าอันนี้ทรงแห่งทานอย่างนี้เป็นตน้นเราเห็นพระพุทธรปปฟางอุบาทอย่างนี้เราก็เกิดเกิดสติเกิดปัญญาแล้วลึกรู้ถึงเรื่องราวในพุทธการเพราะนั้นนะ่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านสร้างไว้เนี่ยท่านมีกุศลอุบายหมายความว่าอุบายอัญชันฉลาด เพื่อน้อมนำจิตของบุคคลรุ่นหลังคนเราแต่ละคนเนี่ยอินทรีย์สติปัญญาแตกต่างกันนะบางคนก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าว่าบัวสี่เหล่านั่นแหละนะบางเหล่านั้นนะก็เหมือนกับปิ่มๆรอจะเบ่งบานแล้วบางเหลาก็ยังอยู่กลางน้าบางเหลาก็ยังอยู่ใกล้ๆกับคนตมบางเหลาก็อยู่ใต้คนตม เพราะฉะนั้นการจะเข้าใจถึงธรรมะเข้าใจถึงก่นของพุทธศาสนามันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเพราะท่านจึงมีอุบายต่างๆมีพิธีกรรมมีศาสนวัตถุเรียกว่าเป็นเครื่องห่อหุ้มศา ส, สนาธรรมไว้เหมือนกับต้นไม้มีเนื้อมีกัะพี้มีเปลือกเป็นเครื่องห่อหุ้มแก่นไว้ถามว่า สรพรพสัตว์ทั้งหลายเนะ่ะเวลาเจอรับประทานบริโภคประโยชน์จากต้นไม้เนะี่ยเราไปแทะกินแก่นดมันเหรอก็ไม่ได้ไปกินแก่นมันเราก็กินผลมันกินยอดมันกินใบมันเกล็ดมันกินไม่ได้มันแข็งแต่แก่นนี่ยมันช่วยให้ต้นไม้มันอยู่ได้มันเป็ น, เ ป, นเป็นแ็นเป็นหลักเกล็คือวิมุตคือความหลุดพ้นมหาสาโลภมสูตรท่านกล่าวไว้ในพมจรรันเนี่ยมีวิมุตคือความหลุดพ้นเนี่ยแต่เป็นเกล็แต่ว่า ปัญญาญาณทัศนะคือการรู้เห็นเป็นเนื้อเป็นกะพีมีสมาธิเป็นเปลือกมีลาบสักการะที่เกิดขึ้นเป็นสเก็ตเป็นของภายนอกแต่ว่ามันหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้อยู่ได้อย่างเงี้ถ้าบุคคลใดหวังจะเอาแต่แก่นอย่างเดียวไม่นานต้นไม้นั้นก็ต้องหักต้องล้มไปไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาของบุคคลที่ต้องพินิจพิจารณาให้เข้าใจทีนี้ว่าเรื่องของวัตถุมงคลคำว่ามงคลถ้าสมัยมงคลเนี่ยเป็นปัญหาที่เท ว, วดามาถามพระพุทธเจ้าอะไรเป็นมงคลถ้าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดบางคนก็บอกว่าการเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเป็นมงคลการได้ยินเสียง นกร้องที่ไพเลาะเป็นมงคลมันแล้วแต่ว่าอาจารย์ไหนจะบ้าไปยังไงแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าในมงคลละสูตรขึ้นต้นเลยอาศวนาจะพาลาหนังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมังอาศวนาจะพาลานังการไม่เสคีคนทานคนทานแปลว่าคนโง่ แต่โง่เนี่ยมันไม่ใช่โง่ไม่รู้เรื่องโง่คือเห็นผิดนะนะคนผ่านผ่านก็คือว่าพาเราถ้าไปครบแล้วเราก็จะกลายเป็นคนหลงผิดไปกับเขาด้วยวันทิตานันจะเสวนาเสพครบบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้คือนักปราดรู้การรู้สถานที่รู้บุคคลรู้ธรรมะรู้อัดรู้พยัญชนะ ที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเราได้เรียกว่าบัณฑิตบูชาจะบูชนญญายะนั่งบูชาสิ่งที่ควรบูชานะสิ่งที่ควรบูชาคืออะไรล่ะถ้าเอาข้างนอกบูชนียวัตถุตามพุทธศาสนาก็เจดีถัดเจดีบริโภคเจดีธรรมะเจดีอุเทสิกะเจดีเป็นบูชนียวัตถุบูชนญยธรรม พระพุทธเจ้ากราบธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นเนี่ยนะพระองค์กราบบาสักการะทุกวันแม้พระพุทธเจ้าก็ยังกราบกราบธรรมะเพราะฉะนั้นบุคคลจะเป็นคนดีได้ต้องมีที่เกรงกลัวมีที่กราบที่ไหว้ที่สักการะอย่างใดอย่างหนึง่งในหัวใจจะไม่มีเลยเจะเชื่อแต่ตนเองนั้นเชื่อไม่ได้เพราะเราไม่ใช่บรรทัดไม่ใช่บรรทัดฐานของทุกสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้นการบูชาวัตถุมงคลเช่นว่าพระพุทธรูปรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่วัตถุอภปมงคลไม่ใช่สิ่งอภปมงคลเพราะว่ารูปนั้นเป็นกรรมฐานที่เรียกถึงองค์พระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึง่งศาสนาของเราเราเชื่อเรื่องของการอธิษฐานเพราะเรามีหลักของอธิษฐานบา ร, รมีเราเชื่อเรื่องของ ศีลสมาธิปัญญาเราเชื่อเรื่องของลิ์วิสัยฌานวิสัยเพราะฉะนั้นการสร้างพุทธรูปขึ้นมาแต่ละครั้งเขาก็เชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยฌานสมาบัติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยศีลบริสุทธิ์มากล่าวสาธยายธรรมะของพระพุทธเจ้ากล่าวเสร็จแล้วท่านก็กล่าวสัจจะอธิฐานไว้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นพุทธรูป หรือว่ารูปเรานั่ะจะไปช่วยอะไรเราไม่ใช่แต่ว่าแรงอธิษฐานของครูบาอาจารย์นั่นต่างหากเราที่เป็นสิ่งที่ช่วยพยุงจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องของบา ร, รมีสิบทัศนะ์อธิษฐานบา ร, รมีคือการตั้งใจอธิษฐานอย่างเช่นเราสวดมนต์นติเมสรนังอัญังพุทธเมสรนังวรังเกเทศัจวะเจนะโหนตุเมเจมังคะลัง ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัต์นี้อเติณาสัจวัตเชนะโหนตุเมชีมังคลังขอชัยมงคลยังมีข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัต์นี้ก็คือกล่าวคําสัตย์คําจริงกล่าวความจริงผู้บาอาจารย์ทั้งหลายท่านเลือกถึงคนพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงเลือกถึงคนพระธรรมตามความเป็นจริงเลือกถึงคนของพระสงค์ตามความจริงจริงกล่าวสาธยายทำมีพระปริตต่างๆเป็นต้นแล้ว เข้าสู่ความสงบมีองค์แห่งฌานเป็นต้นมีฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ถอยออกจากฌานนั่นมาแล้วเข้าสู่อุปัชฌรสมาธิตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุคคลทั้งหลายผู้ได้รับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความปลอดภัยมีความสุขสวัสดีซึ่งก็เป็นเรื่องของเมตตาท่านแฉเมตตาให้เมื่อถ้าอํานาจกําลังของฌานสมาบัติของท่าน มีกำลังมากบุคคลผู้ได้รับสิ่งเหล่านั้นไปมันก็เป็นมงคลถ้าหากว่าเคราะกรรมอนไดที่มันไม่ถึงว่าข้าวที่จะต้องเสียชีวิตก็อาจจะหนักผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยว่าคำอธิษฐานของพระริยเจ้าเมื่ออธิษฐานลงไปแล้วนั้นเทวดาทั้งหลายก็ร้อนรนทนอยู่ไม่ได้ต้องทำตามให้สำเร็จ อย่างเราเคยได้ยินเรื่องของพระ อ, อนุรุท ธ, ธะอแรงเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์สองอย่างบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์คุบ ajan นั่นแหละที่ท่านก็ทั้งสองแบบแทั้งอิทธิฤทธิ์ทั้งบุญฤทธิ์ลงในวัตถุทั้งหลายทีนี้อย่างบุญฤทธิพ์พระอนุรุท ธ, ธะท่านเคยอธิษฐานไว้ว่าข้าพเจ้าไปเกิดชาติไหนขออย่าให้รู้จักคําว่าไม่มีคําว่าไม่มีสมัยนั่นนะขนาดว่าพระ อ, องค์เป็นพระกุมาร เต็นแข่งเล่นครุบกันท่านก็แพ้ตลอดแพ้ท่านก็ต้องเสียขนมพระมานาก็ทำขนมให้ทำจนหมดก็คนอื่นก็ชนะท่านตลอดจนสุดท้ายเอาถาดเปล่าให้ยื่นถาดเปล่าให้ไปเทวดาทั้งหลายก็โอ้คำอธิษฐานของท่านว่าขออย่าให้รู้จักค้าวว่าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้จักคําวว่าไม่มีนี่มันก็จะไม่ได้มันจะผิดคำอธิษฐานังนั้นเทวดาก็ต้องสร้าง สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้เกิดขนมที่เป็นทิพย์ขึ้นมาเรียกว่าเกิดขึ้นมาได้อํานาจของบุญญาลิทธ์ถ้าเราจะปฏิเสธเ ท, ธทธวดาะบางคนบอกว่าเทวดาไม่มีอันนี้ยิ่งหนักเลยแสดงว่าเราปฏิเสธสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดทั้ทงนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องมาภาวนานเพราะตายแล้วศูวนแต่นี่ไม่ใช่พุทธศาสนานี่พูดถึงสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดมี การเป็นมนุษย์มีสัตว์เลี้ยลา์ฉันมีเป็นสวรรค์เป็นพรมเป็นเทวดาทั้นเทวดาก็คือคนดีทั้งหลายที่ทำคุณงามความดีไว้แล้วแล้วสิ้นลมหายใจไปก็ไปเสเวยผลบุญแต่เทวดานี่ก็มีทุกอยู่อย่างหนึ่งคือไม่อยากจะเสียสมบัติที่ตนเองได้แล้วถ้าหมดอายุไขนะเขาก็ต้องตกมาซึ่งไม่รู้ว่ากรรมส่วนไหนจะให้ผลต่อบางทีเทวดา หมดจากสวรรค์ น, นั้นก็ตกลงสู่อบัยภูมิเลยทันทีก็มีเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายนั้นชอบสร้างบุญมาอนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติอย่างญาติโยมทั้งหลายเจริญพุทธมนต์สวดมนต์เนี่ยเขาก็มาฟังฟังแล้วก็ให้พรเขาให้มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่พวกเราเพราะว่าอำนาจของการสาธยายธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยมีคนถามว่า อำนาจของพระปริต น, นั้นแผ่ไปได้เท่าไหร่เสียงพระปริตที่เราสวดเนี่ยแผ่ไปได้ไกลตลอดอนันตจักรวาลสุดขอบจักรวาลเทวดาข้างไหนได้ยินหูคนธรรมดาไม่ได้ยินแต่หูทิพย์ได้ยินอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเทวดาก็ปฏิเสธไม่ได้เทวดามีอยู่พี่ภูมเทวดาจาตัมหาราชิกาเทวดาชั้นที่หนึ่งอยู่แทรกป่าพลอยู่กับภูมิของมนุษย์นี้ทำบ้านทำเรือนทำต้นไม้ ตามภูเขาเรากามีหมดมีหลายหลายเหล่าหลายตระกูลนาก็เป็นเทวดาตระกูลหนึ่งยักษ์ก็เทวดาตระกูลหนึ่งภูมิเทวดาเทวดาตระกูลหนึ่งอากาศเทวดาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นน่ะชิงต่างสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจของเทวดาเพราะฉะนั้นเวลาพระให้ผรอนก็เะมีพระวัตถุศพพมังคกลังลักขันตุัพเทวตาลักขันตุศพเทวตานะเทวดาทั้งหลายขอจงรักษา ขนาะพระให้พรทุกวันก็ยังกล่าวถึงเทวดาอยู่ตลอดเพราะนั้นก็ไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นเทวดาผู้เป็นมหาอุบาสกใหญ่ก็คือพระอินทาวส ก, กเทวราชดูแลพระพุทธศาสนาอยู่เพราะนั้นเราก็อย่าลืมท่านเพราะฉะนั้นน่ยเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยมันจึงสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอธิษฐานบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่ง สัจจะบารมีแล้วก็ปัญญาบารมีคือเราพินิจพิจารณาในสิ่งที่เห็นในรูปลักษณ์ที่เป็นรูปของพระพุทธเจ้านั้นให้เกิดเป็นปัญญาแล้วก็ฌานบิสัยฌานบิสัยสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมะที่ผสมปนอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าหม่อยพระเครื่องแล้วจะไม่ตายไม่ใช่แต่ว่าท่านเขียนไว้ว่าที่ระลึก ทุกเหรียญนะ่ะที่เ ล, ลึกในงานกรถินที่ทลลลเ ล, ลึกในงานฉลองเจดีย์ที่เลือในงานฉลองโบสถ์เนี่ยเพราะนั้นมันเป็นเครื่องระลึกถึงบุญที่เราได้ทำํำนั่นแหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นเพียงที่ระลึกแล้วก็เราเอามาพกมาถือแล้วก็ได้รับเมตตาบารมีจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างนี้มันก็เป็นมงคล แต่ไม่ให้ยืดไม่ให้ถือไม่ใช่ว่าเป็นสารณะไม่ใช่สาระที่แท้จริงพองุ้งเวสารนังยันติพปัตฐานิวนานนิจะอาลามารุกเจ ต, ตายานิมนุสสะพจัตติตาพองุ้งเวสารนังยันตินี่ะสาระบางอย่างมนุษย์เราเนี่ยเวลามีความกลัวเข้ามาครอบงำเราก็จะสแสวงหาสาระที่พึ่งต้นไม้บ้างจอมปวกบ้างภูเขาโลกาบา้างถ้ำบ้าง อะไรอย่างนี้หรือผีสางนางไม้ไปขอสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีตังโคสระนังเขมงงังมีตังสนะมุตะมังสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สะนะอันกเกษมพอจะพึ่งได้บ้างแต่ไม่ใช่สะนะอันกเกษมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะยังเป็นไปด้วยอำนาจของราคะเป็นไปด้วยอนาจของโทสะเป็นไปด้วยนาของโมหะถ้าหากว่าไปขอผีเนี่ยมันก็ต้องมี สิ่งตอบแทนต้องเลี้ยงต้องอะไรเลี้ยงไม่ดีก็ให้โทษนอันนี้เรื่องของผีเทวดาภูมิโยธีก็เหมือนกันแต่ว่าให้ผลได้ไหมก็ให้ได้แต่ไม่เกษมคําว่าเกษมนะคือพาเราออกจากวัฏสงสารสรณะที่พึงที่ทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นทุกข์ประจําของเราเนี่ยได้จริงๆมีแต่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เป็นสารณะอันเกษม ทุกใดๆก็สู้ทุกเกิดทุกตายไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นทุกข์ที่สุดมันไม่มีวันจบวันสิน้นถ้าจิตของเราเนี่ยยังมาถือเอาก้อนธาสีดินน้ำลงไปว่าเป็นเรามาถือเอาขันหาว่าเป็นเราเราก็จะเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปตามอํานาจของโลกลบกดหลงตามอํานาจของความอยากนั่นะถ้าเราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดทั้น ครูบาอาจารย์เราสอนว่าราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราเลึกถึงพระธรรมเราลึกถึงพระสงฆ์เราเลึกถึงภายนอกก็คือเราเลึกไปอย่างที่บามาแล้วทีนี้เราเลึกถึงภายในพุทโทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมนําเข้าสู่ตัวของเราผู้รู้อยู่ตรงไหนใครเป็นผู้รู้ก็น้อมเข้าสู่ตัวของเราสิ่งที่สามารถ รู้ที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละคือผู้รู้พูดอย่างนี้อาจจะไม่ชัดเจนเวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราปวดเวลาที่เราทุกข์มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันรู้สิ่งนั้นรู้ความเจ็บรู้ความปวดรู้ความทุกข์อันนั้นคือผู้รู้หรือจะเรียกว่าสติก็ถูกเหมือนกันสติแต่สติมันจะต้องมาถ้าไม่ระลึกขึ้นมามันก็ไม่รู้ ผู้รู้ไม่ได้หายไปไหนผู้รู้อยู่กับเราตลอดเดวลา <t empor ary> ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติมีอยู่ตลอดแต่เราไม่ชอบอยู่กับผู้รู้เราชอบอยู่กับอารมณ์ <ot> ชอบอยู่กับอดีตชอบอยู่กับอนาคตชอบอยู่กับเรื่องที่เราชอบและชอบอยู่กับเรื่องที่เราไม่ชอบบางทีเราชอบอยู่กับเรื่องที่เราไม่ชอบมากกว่าเรื่องที่เราชอบโดยซ้ำไป กิจของคนเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนทําใจของตนให้เข้าถึงผู้รู้ที่อยู่ข้างในอคือใจเรานั่นแหละใจที่เป็นกลางนั่นแหละเป็นผู้รู้เป็นกลางคือไม่เข้าข้างซ้ายไม่เข้าข้างขวาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันรู้อยู่ที่ปัจจุบันรู้อยู่ที่รู้เป็นผู้รู้เป็นพุท ธ, ธะใจเป็นพุท ธ, ธะที น, นี้ธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือ กายก็คือใจเนี่ยแหละที่เป็นผู้ทรงธรรมชาติเพราะคําว่าธรรมะมาจากทาทาธาตุเนความทรงไว้ทรงอะไรไว้ล่ะทรงอริยสัจ ส, สี่ทรงทุกษทรงสมทสุทัยทรงนิโรธทรงมรรคทุกข์ก็มีอยู่ในใจของเรานี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นสมุทัยก็อยู่ในใจของเรานี่คือความอยากไม่อยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็น อยู่ในใจของเรานี่อความหลุดพ้นความดับทุกข์ก็มีอยู่ที่ใจของเรานี้เมื่อเราสามารถดับเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วก็มรรคก็อยู่ในใจของเรานี้คือเอาใจเนี่ยไปผู้ปฏิบัติใจรู้ทางปฏิบัติแล้วเอาใจเป็นผู้ปฏิบัติใจก็เป็นประสงค์เพราะว่าไม่ได้เอาสิ่งอื่นมาปฏิบัติร่างกายนี้ มันมีกําลังอยู่มันก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าร่างกายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนจะปฏิบัติไม่ได้แต่จริงๆก็ปฏิบัติได้คือเอาใจปฏิบัตินอนอยู่กับพี่ปฏิบัติมันไม่ใช่ไปออกแรงมันคือการกําหนดคือการรู้รู้อยู่กับปัจจุบันแยกแยะความสุขความทุกข์ออกสมมติว่าที่สุดของชีวิตของเราคือความตายเราก็มาพิจารณาดูตายนี่มันอะไรตายร่างกาย ไม่ทำงานหนึ่งวาจาไม่ทำงานหนึ่งรูปธรรมนามรธรรมเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณไม่ทำงานส่วนที่อาศัยกับร่างกายนีว่าตายโดยองสามแต่ทีนี้ว่าทำไมมันยังมีภพภูมิที่เรียกว่าภูมิเห็นความโกรธคือนรกกับภูมิภูมิเห็นความโลภ คือเปตภูมิภูมิเห็นความหลงคือเดลฉานภูมิแสดงว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรารู้จักคาว่าหิวต้องหิวแต่หิวนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะกระเพาะมันบีบมันอยากอาหารแต่ทีนี้ว่าตายไปแล้วนะร่างกายไม่มีกระเพาะไม่มีแล้วทําไมมันยังหิวทําไมจิตมันยังหิว ก็แสดงว่าจิตมันยึดเอาร่างกายเนี่ยแล้วมันก่อตัวขึ้นไปเป็นกายละเอียดเป็นอะไรไปไปหิวไปอยากต่อแล้วนี้วิญญาณคือดวงจิตนะที่ไม่มีร่างกายแล้วทําไมยังมีหิวทําไมยังมีเจ็บทำไมยังมีปวดนั่นเป็นสัญญาคือเป็นความจําเพรอหลงสัญญาลงสังขารลงวิญญาณ ลงรูปธรรมลงนามมาท ำ, ำ, า ท, ำทีนี้จะแก้อย่างไงเราคิดทีนี้พิจารณาดูจิตของเรานี่ทํางานได้ครั้งละอย่างครั้งละอารมณ์ะถ้าไปอดีตก็อยู่กับอดีตไปอนาคตก็อยู่กับอนาคตอย่างเวลาโกรธก็โกรธเวลาหัวเราะก็หัวเราะได้ทีละอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามเมื่อเราดึงสติกับเข้าสู่ผู้รู้ อารมณ์เหล่านั้นดับหมดหมายความว่าถ้าเราฝึกรู้แล้วก็อยู่กับสติในสติที่เรารู้อยู่เนะี่ยแม้หิวหิวก็เป็นเรื่องของหิวแต่สติรู้เนี่ยมันไม่หิวสติไม่ใช่หิวสติไม่ใช่เจ็บสติไม่ใช่ปวดเจ็บปวดมีอยู่แต่มันแยกกันออกมาถ้าหากว่าเราฝึกใจของเราให้อยู่กับสติได้ โดยที่ไม่วิ่งไปสเสวยเอาอารมณ์ข้างนอกนั่นมันก็จะสามารถที่จะอยู่เหนือความเจ็บความปวดความหิวต่างๆได้แต่การฝึกนะ่ะต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าให้ฝึกสติให้เป็นมหาสติฝึกปัญญาให้เป็นมหาปัญญาโดยการฝึกสติปัฏฐานสี่ น, นที่เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน สติประฐานคือการฝึกสติให้มีกําลังโดยเอาสติไปตั้งไว้ในฐานทั้งสี่ตั้งไว้ในกายตั้งไว้ในเวทนาก็คือว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมกายเป็นของที่เห็นง่ายที่สุดนั่งอยู่นี่ก็เห็นเห็นกายตนเองเห็นกายผู้อื่นหลงกายตนเองหลงกายตนเองก่อนเ้วไปหลงกายคนอื่นถ้าแก้ ไม่หลงไกยตนเองก็ไม่หลงไก่คนอื่นกายนี่มันละเอียดซับซ้อนพิจารณากายให้แตกรู้กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติหลวงปู่พุทธท่านชอบพูดเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อว่าให้เราแยกแยะได้อันนี้คือกายอันนี้คือสติอันนี้คือจิตนะรู้จักกายรู้จักเวธนาเมื่อเ ว, เวธนาเกิดขึ้นรู้เวทนา เห็นเวทนาแล้ว <IS> ย้อนกลับมาอยู่กับสติสติคือผู้รู้เวทนาจิตคือความนึกคิดปรงแต่งจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลคือคิดดีคิดชั่วคือเรื่องของความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นรู้ความคิดที่เกิดขึ้นรู้แล้วกลับมาอยู่กับสติเอาสติให้เป็นกำลังรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นธรรมะมีอะไรทุก สมุทัยนี้โหลดมากที่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าความรู้ความเห็นญานลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าฌานหรือว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้ย้อนกลับมาอยู่กับสติอันนี้แหละท่านสอนให้เราอยู่กับสติสติไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตเป็นปัจจุบันเพราะนั้นจึงรวมคว่าปัจจุบันธรรม ของพระพุทธเจ้าคือสติเอกายโนอยังมะโคสัมบาณฑาคาโตสตานังวิสุทิยาทางนั้นเองที่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือสติเพราะท่านเนี่ยการเลาเลือกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในภายในก็คือการฝึกสติให้สติเนี่ยมันรวมลงให้เป็นผู้รู้ให้ได้สติที่ตั้งมั่นต่อเนื่อง จึงเข้าถึงสมาธิสมาธิคือตั้งมั่นถ้าลำบังสติระลึกระลึกเฉยๆเนะี่ยมันยังไม่เป็นสมาธิอันนี้มันยังใช้ไม่ได้นนยังไม่เป็นประโยชน์ถ้ามันต่อเนื่องตั้งมั่นแนบแน่นจนสงบลงไปเกิดเป็นสมาธิสมาธินั้นแหละจึงจะสามารถใช้เพื่อความพุนทุกได้เพราะนนั้นในมัควิุังหสูตรท่านยังกล่าวว่ามรรคทั้งเจ็ด คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจารสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติทั้งเจ็ดนั้นเป็นบริขารคือเป็นบริวารเป็นเครื่องประกอบของสัมมาสมาธิเพราะนี้เป็นหลักปฏิบัติของพวกเราให้เข้าใจถ้าเราไปอ่านอีกในไตรปิฎกมันก็ถ้าว่าสัมมาสมาธิคืออะไรก็วนกับมหาฌานเหมือนเดิม ฌานก็คืออะไรล่ะก็คือการเอาอารมณ์อย่างกลางออกคือกรมะฉันทะเอาออกไปนิวรนความเ ง, งาเฮานอนพยาบาทลังเลสงสัยฟุ้งซ่านออกไปจากใจของเราให้มันสงบลงไปนี่ก็เรื่องของฌานฌานที่หนึ่งวิตกวิจารปิติสุเอ ก, กขาตาเอาง่ายๆสุดท้ายก็คืออยู่ที่อารมณ์เป็นกลางคืออุเบกขาอุเบกขาลมเพราะฉะนั้นแหละ ปฏิบัติให้เข้าถึงได้ให้เป็นที่พึ่งของตนเองผู้ปฏิบัติได้ก็จะเข้าถึงคนพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็คือเข้าถึงใจของตนเองใจเป็นพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุ บ, บานใจเป็นพระธรรมคือผู้ทรงธรรมทรงตลอดเนี่ยขณะที่เราเป็นปุถุชนก็ทรงธรรมเหมือนกันคือทรงปาประธรรมทรงกิเลส เมื่อเราชาระเกลืกกอเราหมดแล้วก็ทรงกุศลธรรมคือทรงธรรมที่เป็นกุศลทรงฌานทรงสมาธิทรงปัญญาอันบริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้ปฏิบตัติคือเป็นพระสงค์คือเอาใจปฏิบตัติเอาใจทำแล้วก็ใจเป็นผู้ถึงถึงแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่กลับไปทุกข์อีกอุกอปมาเหมือนกับกะทิครูบาอาจารย์ท่านพูดเราเนี่ย ยังเป็นปูุชนเนี่ยก็เหมือนกะทิมันยังไม่กลายเป็นน้ํามันมะพร้าวเอาไปเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปให้มันร้อนในที่มันกลายเป็นน้ํามันมะพร้าวใสสะอาดกะทินี่ทิ้งไว้ไม่เกินวันสองวันก็บูดพอมันกลายเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วเนี่ยเก็บไว้เป็นปีก็ไม่บูดไม่เน่าใครเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วน้ำมันมะพร้าวนั่นอ่ะมันไม่กลับมาเป็นกะทิได้อีก มันก็เหมือนกันกับจิตที่ปฏิบัติจนถึงขั้นแล้วเขี่ยวเข็นด้วยความภาคความเพียรด้วยความร้อนด้วยอาตาปีมันถึงที่แล้วมันกลายเป็นอริยะคือจิตที่มันหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่กลับมาสู่ความเป็นปุถุชนอีกเพราะนั้นความเป็นพระริยาเจ้าน่ะไม่หวนกลับจะมาบอกว่าเป็นอรหันต์แล้วกลับมาเป็นนั่นนี่นวลนั่นมันขัดต่อหลักคาสอนไม่ถูก นั่ น, นี่ยก็เป็นอุบายเนาะอย่าโยมทั้งหลายว่าระลึกถึงพระพูดพระเจ้าระลึกถึงว่าทํงงานึกถึงพระสงฆ์ระลึกข้างนอกก็นึกถึงทำคามคุณทำความเป็นจริงตามหลักประวัติศาสตร์ตามหลักธรรมะที่ท่านสอนระลึกถึงข้างในก็คือเอากำมาฐานน้อมเข้าใจตนเองทําใจตนเองให้เป็นที่พึ่งของตอนเองนั่นแหละพูดปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเป็นพูดถึงสุขในปัจจุบันสัมปรายกัถะคือประโยชน์ในภพปัจจุบัน ปราญิกถะประโยชน์ในพบหน้าพระมะัตถะประโยชน์อย่างยอดคือพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นแก่ใจของท่านผู้ปฏิบัติทุกท่านทุกคนวันนี้แสดงธรรมสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปากาลราชนี